أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي ร بسم الله الرحمن الرحيم ะห์มา م รอมัยรอม س ن ا ل ن نبي من نبي من ل ي من نبي الله ع وجل، ب ي ض و ق ب ي jadi ม i n คยดีน้ยต้อ إليه إلا إله مصير ما يجد يقي أياك إلا الذين كفروا فَلَيَوْرُثَكَ الْيُبُومُ ا ل ْ ع ِ ل َ د َ فَلَبَثَ قَبْلَهُمْ ف َ و ْ م ُ والأحزاب من م ع د ر ي وهمت كل أمة برسول الله و ج ا د ل و ا ب ا ل ب ا ط ل ِ ل ي ُ ج ْ ح ِ ل ُ ب ا ل ح ق ِّ ف َ أ َ ف ْ ق و ه ُ ف ك َ ا ن ف ك ا ن َ ا ق َ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 اللهم ب m m a bika و b i k م a m s h و b ك k a n a و b ك k a namute و إ, أ و ل ن ش و ر أعوذ بکلمات ا ل ل ل ت َ م َِّ من شریما خلا بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَذُرُّ مَعَاسِمِهِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ سَمِيعُ ا ل ْ ع َ د ِْ ربيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد رسوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل و ا ش و ا ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار و عذاب في القبر اللهم آفني في بدني و آفني في س م ع ي و آفني في ب ص ر ي اللهم فاتر السماوات والأرض علما لا إدّ و شهادة ربك ل ي ش ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت أ ع م ذ ز لك من شر ن ب س ي وشر ش ا ط ا ن وشر ك وأن أ ق ت ر ف على ن ف س ي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المجد وله الحمد وهو على كل شيء ق ر ي ر ربي أ س أ ل ك خير م م ف ي ه ا اليوم فخير ما بعده ربي أ ع ج ك من ا ل ر ك ل والشوق الكبير ربي أعجبك من عذاب ا ل ن ن ّ ا و َ ع ع ذ ا ب في القبر أ ْ ب ح ن ا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ا ل ل ه و เจ้ามริฮีอาดะดะฮ์โคนเตฮีวาริมอัลนับสีฮีวアジนัตตะอับสีฮีวมิลิุกตัวะล ที่รักทั้งหลายครับเด็กน้องที่ติดตามรายการตับซิลคลาอนที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับทานไรจันร์ในบ้านลตำจริงนะวันนี้อัลลอฮให้เรานะจบสูรอะซุมัตมาอาทิตย์แล้วอะซุมัตแต่ว่าอะไรช <c oughs> วนความจำแต่ว่า มูคณนะลุกลุ่มสรุปว่าในวันกิยามามีคนแค่สองกลุ่มเท่านั้นแหละทั้งโลกนี้นะมีแก่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกเชิญให้เข้าสวรรค์และอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกต้อนหลงหนรกอย่างพวกเรานกะ่ยขอาตลอด น, นะให้อยู่ในกลุ่มถูกเชิญให้ไปสวรรค์ให้หมด วันนี้นะครับเรามาขึ้นสูรร้องใหม่ในหนังสือกุรานเนี่ยบางเล่มเขียนว่าสุรร้องรอฟิลบางเล่มเขียนว่าอัลมุมินส่วนใหญ่ก็จะเขียนบางเล่มนะบางเขียนี่ยังที่ผมอยู่ของหน้าผมเมียเริ่มใหญ่เนี่ยนะเขียนว่าอัลมุมิน แต่ว่าบางเล่มเนี่ยไปเจอไปเขียนว่ารอฟิส <c oughs> คำแปลดีทั้งหมดเ่ะมุมินแปว่าผู้ศรัทธาถ้ารอฟิสแปว่าผู้อภัยโทษผู้อภัยเลฮัำดูแล้ววันนี้เรามาเรียนสูร่าใหม่จะนี้อ่านก่อนที่จะอ่านกูนอ่านนี่ก็ขอให้กำลังใจพวกเราเ น, นบอกว่า คืออัลลอฮ์เนี่ยให้เราสังเกตนะนกนอนปลาเ น, นี่ยอัลลอฮ์เลี้ยงหมดเลยนะนอนที่อยู่ในอยู่ในช่วงมันอัลลอฮ์ก็เลี้ยงอายานไงว่ามามินดาบัดินฟิลอาบดิอิลลาอลลัลลอฮิลิบุฮาไม่มีสัตว์สี่เท้าหรือสองเท้า ตัวสัตว์เลือเ้อยคลานมันมีสัตว์ตัวใดในโลกที่อลัลลอฮฺไม่เลี้ยงเลี้ยงหมดเรื่องที่สองนกที่บินอยู่ในอากาศเนี่ยอลัลลอฮฺประเลี้ยงยแล้วก็นาบีกระส่งให้เราเนี่ยนกถึงริสกีนะนกถึงอะไรนะนึกถึงนกอปลาที่อยู่ในมหาสมุทรที่อยู่ในคลองก็ดีเนี่ยอลัลลอฮฺเลี้ยงหมดเลย เราลัทธิลัมาเรื่องเตือนพวกเราว่าแล้วเรากลัวอะไรมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่กลัวนะที่ทะเลาะกันอะไรกันอย่เรื่องแย่งดิสกี์กันนี่แหละฉะนั้นเราเนีฉลาดกว่านกใช่ไหมขนาดฉลาดกว่านอนฉลาดกว่าปลาแล้วกลัวอะไรได้เงินมาเลยขี้นีย ฉะนั้นเราเนี่ยต้องทำวันละเจ็ดอย่างทุกวันนะหนึ่งต้องอ่านคุณอ่านทุกวันสองน้ำมาหยาขาดสามบริจาคสรร ม, ะมะ่ำเสมออันที่สี่วิครุลลหะอันที่ห้าขอดูอาอันที่หกติดต่อพยาธีน้องเราพอที่เจ็ดเนี่ยให้อาภัยคนนี่ถ้าเราอยู่กันแบบนี้นี่นะ รอตาจาไปสวรรค์หมดนะแล้วก็เรื่องริสกี้อย่าไปหววงเยอะไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะต่วั ก, กานแบบไร น, นะแบบนกอ่าใน ม, มีออฟฟิศเราในะมีทางสมองมีทางปัญญามีนูน้นมีความรู้จ บ, จบนู้นจบนี้ยิ่งจบสูงโอ้โหเอาแต่แค่นี้พอเอามาดูคุณอ่านวันนี้นะครับซูร่าที่40 สุราคาสุรามุหมินมุหมินแต่ว่าผู้ศรทาคือเป็นอย่างนี้ในในยังมีอีกนะคามีเนียนะามีนเนี่ยนะยังมีทั้งหมดมันเจ็ดสุราหลังจากนี้ไปนะคามีนฮามียนคามียนอีกอีกอีกหกสุราทั้งหมดมีเจ็ดเจ็ดสุรา ขึ้นต้นด้วยฮามีมมีทั้งหมดเจ็ดซุรอร์ด้วยกันนี่อัลลอฮฺประทานลงมาให้ท่านนาบดุลเบมองมาทําไมมาพูดเรื่องฮามีมตั้งเจ็ดซุรอ์ขึ้นต้นนะฮามีมถึงเจ็ดซุรอ์เพราะว่าซุระห์ฮามีมขึ้นต้นเรื่องฮามีมเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องอักูดะเรื่องความเชื่อในอนะัลลอฮ์น่น อัลลอฮ์องเดียวนะอย่าไปหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกไม่มีมีอัลลอฮ์องเดียวใหญ่สุดนะเรื่องที่สองพูดถึงเรื่องกุรานในเร่นี้ว่าคำพีอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยถูกสังขยานามหมดแล้วสังคยานานะโดยฝีมือของใคร โดยผู้รู้ของาศาสนาคริสต์และาศาสนาอยู่เอาล็อแถมหมดแล้วพะฉะนั้นเหลือผู้อ่านเล่มเดียวเอาล้อยบัฉันจะรักษาเองไว้ใจมนุษย์แม่น ไ, ไ, ไม่ไว้แล้วฉันขอรักษาเองไอ้อัไหนวออินวออินนา ล, หลหาหูลาฮาฟิลฉันขอรักษาเองที่รักษาคนลละมนุษย์นึกไม่ถึงหรอกว่าจะรักษากบบันแต่ไหน เขาวรรษาคุณอ่านรกษาศาสนาอิสลามด้วยนะรักษาภาษาหรับด้วยนะแล้วรกษาคนที่เป็นมุสลิมอยู่ในศาสนานี้ด้วยนะเอาต่อมาครับแล้วก็สุราหามหนนะึ่ะพูดถึงเรื่องตายแล้วฟื้นมันจะตายแล้วตายเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ภาจะเอาอัศร์ไปนับนหักตัวัลบาติล มันจะปะทะกันระหว่างความจริงกับความเท็จคันธามินเจ็ดสุร้อนนี่ยจะพูดเ น, เ, นเน้นเรื่องนี้แหลปะปะทะกันระหว่างความจริงกับความเท็จความจริงกับความเท็จเรื่องถูกกับเรื่องผิดเนี่ยจะปะทะกันเพื่อให้เราได้ชยาตัญญาเอาวันนี้ <c oughs> มาสุรอมุหมินเนี่ยครับมุหมินแปลว่าผู้ศรัทธาสาเหตุเป็นอย่างนี้นะครับที่เ อ, อตั้งอายะ ตั้งสุรานี้ว่ามุมินก็คือว่าในสมัยฟฟรโรนพวกฟฟรโรนนี่ทรยศต่ตอเราหมดเลยแต่มีอยู่คนท <c oughs> ี่ إ ي م านต่อนบีมูซาะอะไรสักอย่างเขา إ ي م านต่อนบีมูซาก็มีเรื่องอะไรลับๆเนี่ยมาเล่าให้มูซ่าฟังหมด <laughs> แล้วก็ชายคนนี้นะ่ะวิ่งมาหานบีมูซแานะ้วบอกว่าอะไรนะเขาวางแผนจะฆ่ามูซานะและอีกชายคนนี้ก็พูดเหมือนกับพูดต่อหน้าประชุมเลยนะนี่ไปฆ่าเขาทํามเ้าทำอะไรผิดอนะัะเาเพียงแต่เรียกร้องคนให้รู้จักอลัลลอฮนะ์น่ะผิดขนาดนี้เลยจะต้องฆ่ากันเลยใช่ไหม เรียกร้องคนให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์ยอนเราว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนี่นะถึงกัตะวางแผงกันจนชากับ้วบาโรเอ๋ยพูดเรื่องนอกเนี่ยเอาแต่แค่นดียวเอาทีนี้สุร์ลอฟฟิทรือรว่าอะไรนะอิมุมินเนี่ยขึ้นต้นด้วยฮามินฮามีนแปลว่าอะไรคือคำแปลก็มอธิบายกันเยอะแต่เราไม่แตะ เป็นผู้โรฟุนตกกทต่ออาถลาจะอ่านนะต้องอ่านฮามีอันทีละคมทีละคมทีละทีล ะ, ะได้นะทีละอักษรฮามีความหมายมีคนแปลเยอะแต่เราไม่แปลส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกันนะครับอรรอาลอาทรงรู้ดีว่าแปลว่าอะไร تنزل الكتاب من الله ا ل ع ِ ي م العليم، و ف ِ ر الذنب، وقابل َ ا ل ت و ب ِ شديد العقاب. زلت تولنا إ ل إ ِ ل ل ه إ ل َ ي ْ ه المطير. ما يجادل في آيات الله إلا الذي ن ك ب و فلا يغرر كتقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، و َ م ت ص اللهم أ ت ب ة ٍ ب ل ر س ل ลีอะฮูลูวะจัดลูบิลบาติลลียูดฮัยบุบิฮิลฮักฟาอ a ขารตุหุม ا า a กฟะกันไอกา a อะล a ยฮั m ดุล i ลลาห์ฮามิมไม่ม a ค ตันซีลุลกิตาบมินัลลอฮิะีซิลลมันีลุลกิตาบิมินัลลอฮิมะจีซิลฮลิมตันีนแปลว่าเป็นการประทานลงมา การประทานมาจากนาซาลนี่ยงฝนตกอย่างนี้เขาเรียกว่านาซาลาเหมือนกันอ่ากุรอานมาจากชานฟาเขาเรียกว่าประทานลงมาอยู่สูงเหม็มประทานลงมาตันซิลการประทานอัลกิตาแปลว่าคำพีเล่มนี้มาอัลกุรอานการประทานลงมา แห่งคำภีคำภีนี่มาจากไหนประทานลงมาจากไหนอลัลลอฮ์อธิบายเลยมินัลลอหมาจากอลัลลอฮ์ทำไมอลัลลอฮ์เน้นเรื่องนี้เพราะที่น้องชาวอาหรับมุชริสเนี่ยพูดว่านบีเนี่ยไปลอกเรียนมาจากคำภีต่อรออินดีนระบุ ตูดานาบีตลอดตำหนินบีตลอดนบีไปขัดหลอกวันนี้ก็เหมือนกันยวิวดีเนี่ยและอหลายๆคนในโลกเนี้กกำลังต่อต้านอุรนิยเยอะไหมเยอะครับฉะนั้นเร า, าเลยพูดดังนกพูอ่านเพื่อให้มุสลิมได้เข้าใจว่าอุานิมัริะมมาจากใครนะมีนอัลลอฮมาจากอัลลอต์ลันเซลแปลว่าถูกประทานลงมาเป็นการปาระทานลงมา จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์องไหนครับมีสองสุตในอายุสุราอายะ น, นี้อัลาซผู้ทรงมีอำนาจมีความ ม, มีมีอำนาจมีความสามารถนะอัอลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ยิ่งไม่มีใครรู้เท่า ก, กับอัลลอฮ์ฉะนั้นคำที่คุณอ า, านี้มาจาก Allah. อัลลอฮ์อัลลอ์ผู้ทรงมีอำนาจและผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ฉะนั้นกุรอานไม่จะถูกลอกเรียนมาจากไหนนะไม่จะลอกมาจากคัมภีร์ไบเ บ, บิลซาบูตอินจีนไม่ใช่อันนี้มาจากอัลลอฮ์ตรงๆเลยทานอะไรทานเิบรีนอะลรยี่ศสลมามอบใหท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละอิมานการประทาน ลงมาของอัลกุรอานเล่มนี้มาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงมีความรู้ที่ต้องสังเกตนะในฮะดุษอธิบายอย่างนี้นะมีอยู่สมอายะฮามีมหนึ่งอายะอายะที่สองอีกหนึ่งอายะนะและอายะที่สามต่อไปโวฟิริลัมบิ waqa อบิลทาวบิษะ a ี i ิลกับบะซิกทาวลิลาอิลลาห์อิลลาห์อุอิลัยฮิลมาซีห์สามยันหนึ่งขามิมสองตันดิลกิตะบินาลอริมะซีดิมะลิม เรฟิลิสตันดิว่กับิตตาวดิชาดีดีงั้นาบะรับตัวนี่แหะอิหละอิหลิหละิลมอสลีคนที่อ่านสอายานี้ทุกวันแล้วก็อ่านอายาพ อันยากรุษีก่อนหรออ่านหลังก็ได้และอิสามญยานีทุวันนี่เป็นความรู้ใหม่เพิ่มงานแล้วนะนี่เพิ่มงานาแล้วให้เราได้อ่านแล้วก็ท่องในจำสามายานีกับายากรุษีใครที่อ่านสามายานี้ตามยากุซีตอนเช้าอัลลอฮฺจะคุ้มครองไม่ให้พบก็เรื่องชั่วชั่วเรื่องไม่ดีไม่ดี ถึงเย็นถ้าใครอ่านตอนเย็นอัลลอฮฺก็จะคุ้มครองตั้งใจเย็นไปถึงเช้าพวงนี้แสดงว่าถ้าอยากจะให้อัลลอฮฺคุ้มครองนะก็ะต้องเริ่มมีงานใหม่มาสามอายานี้ท่องให้จํานะแล้วก็าอายากรุสีทีเราได้อยู่แล้วใช่ไหมอสองอายาเนี่ยมานั่งรวมกัน กล่าว ต, ตอนเช้าแล้วก็กล่าวตอนเย็นเอาล้อจะคือว่าออซิมาคุ้มครองปกป้องเรื่องชั่วชั่วเรื่องรายร้เรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยออกห่างจากตัวเราก็อ บ, บอกภรรยาเราด้วยไม่ได้แหล ะ, ะบอกลูกด้วยเอย อ, อ, อความรู้ทั้งหมดเลยเอามาดูศัพท์ครับกอฟิทซัมบีกอฟิทเนี่ย แปลว่าผู้อาภัยผู้ทรงอาภัยนี่สิทธิ์ของใครของ Allah. อัลลออัจซัมบิแปลว่าการบาปผู้ทรงอาภัยความผิดนี่เป็นสิทอัลลอ์ Allah, ครับอัลลอฮผู้ทรงอาภัยความผิดมีใครบ้างที่ไม่ผิด มีไหมไม่มีกับทุกคนมีความผิดหมดฉะนั้นอ่านสุราอ่านอญญายนี้ยเยอะๆวอฟิลัมบีต้องท่องให้จำเลยนะต่อมาครับว่ากบิลตาวบีกอบิลแปล ว, ว่าผู้ทรงรับรับอัตเตาบีมาจากเตาว้าผู้ทรงรับการลุกแก่ ผู้ทรงรับการเต้าบาตัวหลัตาบาตัวเราอยู่กับใครอ่ะอยูกับพวกเราเมื่นเลยมาได้อยู่กับแคะแค่หั ว, วายไม่เกี่ยวอยู่กับพวกมนุษย์หมดเลยแล้วพวมนุษย์มีงานเยอะนะทําอะไรผิดเยอะอัลลอฮฺได้สอนเนียอย่างนีอ้อัลลอฮฺผู้ทรงรับการลุกแก่โทษ อายานี้มีหประเด็นน ะ, ะประเด็นที่หนึ่งอะไรนะวอบิลิซัมบิอลัลลอฮผู้ทรงอาภัยความผิดหรือการบาปเรื่องที่สองวกอบิบอลิตเตอบีอัลลอฮฺทรงรับการลุกแก่โทษรับการเตาบ้าคนที่ผิดมาเตาบ้าทำทำผิดตอนเชา้าตอนเย็นเตาบ้าตัวเลย ที่ตาบาตว่เกาว่าไงนะตาบุบบุนรอเสียใจร้องไห้ใจนึ ก, นกเห็นจับไปตามพันผิดดันนี่อีกต่อไปแล้วเราก็เลิกเลยแล้วไอ้คนนี้มันชอบพาจะเริ่มชั่วชอย่าคบมันเยอะเห็นหน้าสลามยิ้มห่างไปเลยเราะถ้ามีวิธีนะบีสอนอะไรอุลมามะเก็สอนอะไรถ้าคนนี้มันพาจะไปเริ่มชั่วช้านะเราเห็นหน้า ทำอะไรลุ่มปเลยตีตัวไปเลยพยูกระมันพูดด้วยภูดใจอ่อนไปอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาเรื่องที่ 3, สามสดีดีลอยกอ็สดัดีแต่ว่าสาดิตนะแต่ว่าเข้มงวดอะไรก็การลงโทษที่สิบารตะลลอะีกเหมือนกันถ้าทาอะไรผิดไม่เตาบ้าตัวเองเจอการลงโทษแบบรุนแรง ซาดีโดนไอ้พอชาดีก็ว่าเข้มงวดและรุนแรงไอ้ก็มาดูการลงโทษแบบรุงแรงเอาลอนนรกเรารออยู่ไม่แรงอ่ะในกูโบมีงูในกูโบมีมาแรงกองม า, มาจากไหนอ่ะเดีตอนสังนันไม่มีอ่ะพอฝังไปแล้วว่าเจอ นี่ับลงโทษนะบางทีก่นลงโทษกอนตาอีกนี่มีขามันออกมาเนี่ยประธานาธิบดีของอิสราเอลคืออะไรชาลอนเอเรียนชาลอนเนี่ยเป็นคนที่วางแผนฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์แล้วก็คมขืนผู้หญิงเท่าไอะไรไม่รู้ ทรมานเลยยึดแผ่นดินรัาอะไรครับตอนตายเนี่ยรักษาตัวหมดไปห้าแสนล้านดอลลาร์เอาละไม่ให้ตายด้วยนะนอนเจ็บในโรงพยาบาลแล้วก็ับไปเจ็บต่อที่บ้านประชงเทพมากมีหมอคุมอยู่ตลอดเวลาหมอชั้นหนึ่ง พอเปิดหัวนี่นะมีนอนเต็มเลยนะที่ตาที่กระหมอ่อมเต็ ม, มเลยมกรรอ อ, อ, อมันทําอะไรไว้อะนี่นะซาดีบหลังกอบอัลลอฮเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษในคนหนึ่งชื่ออะไรที่อยู่สวีเดนอ่ะคือรอนอเวีเห็นไหม เขียนการ์ตูนลองนบีในวันที่สี่เดือนนี้รถไปชนขนาดน้แล้วก็ไฟข่อ ค, คำมันออกมาแล้วว่าเอาเครื่องดับเพลิงห้าสิบกว่ากว่าเครื่องนะไปดับนะไฟมันไม่ดับพี่น้องเชิญเลยดาอิสลามเชิญดานาบีเชิญอรอถเตือนแล้วนะเลิกนะ เลิกให้หมดไม่กไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอันนี้เราไมฟังชาดีดีหลังก็อัลลอฮฺเป็นผู้ที่เข้มงวดในการลงโทษแล้วไม่รู้สึกตัวด้วดูสิมันมาแบบอะไรนะแบบนิ่มๆอลัลลอฮฺจะลงโทษคนนะแบบนิ่มๆไม่รู้สึกตัวหรอกครับปม่รู้สึกตัวอย่างอันย่อายา เราคับาทำอะไรไว้อะหนึ่งดาอุรานสองดานาบับดมมฮัมหมัดสามดาอิสลามแล้วก็ไม่เชื่อวันเตียมะไม่เชื่อว่าตาลฟุน้นไอห้ารายการเนี้ยกินได้สุราฮามีเนี่ยกินได้เน้นเรื่องนี้เน้นอคกิดาสุพสพคัญที่สต่อมาครับที่ัตอัลลอฮ์ข้อที่หข้อที่สี่ ยิตตาลียึตาลีแปลว่าผู้ทรงผู้ทรงอะไรประทานความสมบูรณ์ภัยบูนอ้อรับผู้ทรงภัยบูนเชื่อนอะไรบ้างครับใครจะรวยใครจะมีชื่อเสียง ใครจะมีหน้ามีดานสังคมนั้นไม่ใช่เราทำเองนะเราล่อให้ทั้งหมดนะอย่าไปคิดเองหมดฉันแน่ไม่ใช่อลัลลอฮ์ให้มาเลยนะนะครับผู้ทรงภัยบูญอัลลอฮฺอักบรให้รางวัลให้ความโปรดปรานให้มีความสะดวกแต่เพื่อให้ความภัยบูนทั้งหมดนนอยู่ในอิสลามหมดเลยนะ เนี้ถ้าเราถ้าคนที่ไม่เอาอิสลามจะเอาอลอให้นูนให้นี้เนี่ยนะนั่นชั่วคราวหมดเลยนะชั่วคราวครับยาอลอจะกระชา ก, กาออกไปอ่ะแต่สําหรับผูส้สละท้าต่ อ, อลอนี่ยนะอลอเตือนนะฉันให้หกอย่างนะหนึ่งบรารักัดอยู่ในอยู่กับอิมานอลออยู่ในตตาความลอให้บรารักัดให้อิสลัดให้เกียรติยศ เราจะให้ความสะดวก น, นี่ไงอัดตเตาเลยให้ความสะดวกสบายให้ความง่ายดายอล l l a h จะรักษาอ a ล l a h รักษาท่า น, นอยู่ศาสนาอิสลามนี่นะแต่ว่ามีอุปสรรคัม้มมีครับไม่มีใครไม่มีอุปสรรคเวลาเจออุปสรรคนึกถึงใครวะนบี ม, มุฮัมมัดไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟถูกอรไรครับถูกสามเรื่อง รูกดา่าถูกไล่ถูกขว้างไปเห็นอลัลลอฮ์ไม่พอใจน่ะทรงมลายก้าลงมาบอกมุฮัมมัดแกแค้นไหมอ่ะพู ด, ดํานองนี้อแก้ไหมอ่ะแก้ยังไงอลัลลอฮ์ให้มล า, ายก้ามามาเล่าว่าให้ภูเขาสองลูกเนี่ยพราะคนที่คว้างนาะเบียอยู่ตรงหุบเขาเนี่ยถ้าภูเขาเลยเดินชนกันล้ตายหมดเลยเรียกแมว ขอว่าอีกอัลลุมะเลกลมีก็อินนฮุมละยาละมูนี่การให้อาภายัยนำมาใชา่เพราะนบีมามัดเป็นบุคคลตัวอย่างของเราใช่ไหมไม่ใช่รูปนมาดอย่างเดียวตามนบีต้ง น, ตงนั้นนีสัเอาเอาของฟาโรห์มาใชา้ไม่ใช่เอาอักลาของนบีมาใชา้ในชีวิตประจำวันซิตตาลินี่สิทธของอัลลอฮ์นะจุดที่สี เรื่องที่ห้าลาอิลละอิลลัลหูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮเรื่องที่หกอิไลฮิลมาซีรทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮหมดเลยกลับตอนไหนรู้ไหมตายก่อนฟื้นขึ้นมาต้องเดินไปที่ทุมมัชัด รวมตัวกันที่นั่นไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตลาตุลรวมว่าอายานี้มี6เรื่องเรื่องขออัลลอฮฺบนเลยนะวาโวฟิ ล, ลิซัมบิผู้ทรงอภัยความผิดโอบิลิตาอุบิผู้ทรงรับการลุกแก่โทษชัดีดิลไอกอบ ผู้ทรงเช่นนวดในการลงโทษข้อที่สี่ฤทิเตานี่ผู้ทรงไทยบูญผู้ทรงโปรดปรานผู้ทรงให้รางวัลผู้ทรงให้ความร่ำรวยโอ้โหเยอะต้องมาฤทธิ์เตานี่นี่นะเรื่องดีดีหมดเลยข้อที่ห้า ลออิลอห์อิลห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแกการเคารพคัาเดียวนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเรื่องที่หกอิไลฮิลมาซีทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์่งสำคัญเลว่าละคนอ่านอายาน่นี้มีอยู่คั้งนงนีประวัติในในตำสุดอธิบายดี คนที่อ่านทุกวันเช้าเย็นเยอะมากอร่อยจะอะไรนะไม่ให้เขาพบกับความลําบากเดื อ, รอดร้อนแล้วก็จําเลยนะอีกเรืเ่องหนึ่งไซนาอุมัตมีชายคนหนึ่งจากประเทศซามประเทศเน<ม>ี่ยซีเรียปัจจุบันนี่แหละมาหาไซนาอุมัตคือมาบ่อยไนงะเดือนสองเดือนโผล่มาทีเดือนสอเดือนก็โผล่มาทีมาเยี่ยมหน่นะ แล้วก็หายหน้าไปประมาณหน้าหลายเดือนอ่ะแต่นำมา ก, ก็ถามเอ๊คนที่มาจากซามหายหน้าไปไหนอ่ะไม่เห็นมาเลยคนรอบๆท่านกะบอกโอ้ท่านไม่รู้เมาอยู่ประเทศ้ามเมาเม า, มารู้ <c oughs> จังนะกินของมือนมากินเหล้านะั่นแหละเมา เสนอมัดเขารู้ข่าวอย่างนั้นปั๊บท่านก็เรียกเลขาของท่นบอกวนี้เขียนจดหมายจากฉันนะจากไซนาอมัดเป็นคอตโตเดอร์ล่าเขียนกันไปถึงชายคนเนี้ยคนที่เมาเนี่ยแล้วก็ส่งคนถือจดหมายนี้ไปต้องไปเตอเจอตัวเขาเลยนะอย่าฝากคนอื่นไม่ได้จดหมายฉันฉบับนี้นี่วิธีการดาวะ นเลหนึ่งคุณนี่ก็ถือกฎหมายไปพอไปถึงเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะพบเขานี่ก็เชิญประชาชนที่มาณามานี่นะใหแน่นแลแางบว่าให้คนที่มาณามาช่วยกันขอตัวให้ชายคนหนึ่งเอ่ยชื่อได้ให้ใหอาร้อนได้เปลี่ยนแปลงมิสัยให้คนที่มาณามาเนี่ยช่วยกันขอตัายะดาเขานะให้ ขอดวงอัอบเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ขอแล้วต่อมาชายคนนี้ก็เอาจดหมายนี่ไปให้กับคนที่สนาอุมาตกองกันล้วก็สามงเลยนะขณะเมาใน่อย่าให้นะท่านรองันหาเมาก่อนในินหมายของท่านเขียนสามอายานี้อ่อาท่าน تَنْزِيلَ الْكِتَابِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الك من اللَّهِ الْعَجِيْهِ الْعَلِيمِ وَاَفِرِ الزَنْبِيْ وَقَابِلِ ตอนเย็ ا หนังสือให้เขาก็เปิดอ่าน อ่านหลายเที่ยวอ่านไปอ่านมายามไปยามมาแล้วก็คิดนั่งร้องห้แล้วต่อมาทาคนอื่นเลโนกังนั้นจากประวัติศาสตร์ในค น, เ, เ, นเดียวตับเชอิบุกเซสเนี่ยงธิบายดว่าเวลาเราเห็นพี่น้องเราคนหนึ่งคนใดที่เมาเก่งๆห้ามไปดา่าเขานะ เรื่องที่หนึ่งห้ามดา่าเรื่องที่สองเห็นหน้าเราก็ยิ้มกับเขาทักกับเขาพูดจาดีๆกับเขาแล้วก็ให้บอกญาติพี่น้องเราช่วยไปขอว่าให้คนเมาคนนี้เลิเลกเมา <c oughs> <c oughs> นี่อัครากของท่านนาบีหมดเลยเพราะนาบีไม่เคยด่าคนเพื่อนไซนาวามัส จ, จะเอาอัคราของนบีมาใชา้ ฉะนั้นฉะนั้นสามอายานี้เนี่ยนะเป็นอยายะที่มีบริบทถ้าอ่านเนี่ยอายาที่อยายที่สามนี่แหละอบิิซัมบิกอบิลตบิชดีดีนอบิลตอุลีลาอีลาอิลลหอิลัฮิมมะบฮแงนะฮุประโยชน์ถ้าไม่คนเปลีป่ยนแปลง เอาเรื่องที่สาม ม, มีชายคนหนึ่งไปที่เมืองปูฟ้าเข้าไปในสวนพอเข้าไปแล้วก็ไปนมาสอวงละปะัสก็อ่านสามอายออา่นี่แหละเพราพออ่านจบนมาจบก็มีชายคนหนึ่งแต่งชุด เยเมนเมืองเอยเมนปัจจุบันนี้นะจำชุดเนี่ยแล้วก็ขีลามาลานสีขาวมาพูดแปล ว, ว่านี่คุณเวลาคุณอ่านอายา น, นี้เนะ่สามอายานี้นี่นะให้ขอดูอาด้วยให้ขอว่านี่เวลาอ่านมาถึงว่าโรฟลิลัมบิโอ Allah, อัลลอฮอยโทดให้ฉันด้วย เมื่ออ่านมาถึงกอบิลิตาวีบทรับการเตาบาของฉันด้วยมาอ่านมาถึงชาดีดีหมายกอย่าลงโทษฉันเลยิตาวลีโอรอปวดประทานรางวัลให้กับฉันชาคนนี้ก็อยากจะเข้าไปคุยอะ่ะพอหันไปทีหายไปแล้ว ก็เดินในสวนเอตัวทัาออกมานอกสวนมีคนก็นั่งอยู่มาหลายคนถามว่าคุณเห็นผู้ชายที่แต่งชุดเสื้อผ้าเมืองเยมืเม็นไหมบอกไม่ เ, เห็นหนาเขาก็สงสัยว่าชาตันนาานว น, นี้เนี่ยคือใครทำไมมาสอนเวลาอ่านอายะนี้เนี่ยให้ขอดวา์ด้วยอ่า พริอาทิตย์บ่าวว่านาจจเป็นนบีอิบยาสนาจจเป็นนบีอิบย่าสมหามชายตรงนี้คือมาเลเซียอกตัวมานั้นเป็นนบีอิบย่าสมาแล้วก็มาสอนคืนั่นเวลาอ่านอายานี้นะคือนั่นท่องอายานี้นี่ให้จำขอโดนอาทุกครั้งพออ่านว่าฟีลิสซามดีอลาาัลลอฮฺจะอภัยโทษให้ฉันด้วย ขอเบลิตเตอบอภัยโทษให้ฉันด้วยนะอัลลอฮฺอัลลอฮรับการเต้าบ้าของฉันชาดีดีหลายกอบอัลละฮฺผู้ทรงเท่ ม, มวดในการลงโทษล่ายาลงโทษฉันอย่นี้เป็นต้นนะวิตเตอรลีเราได้ประทานใดนะประทานความไภ่บุญให้กับฉันประทานรงวันให้กับฉันให้เราขอดุทิศเป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาห์ เรียองดีไหมอ่าเรียกดีฉะนั้นงานเพิ่มสำหรับพวกเรานะอ่านสามันี้ให้จำขั้นเดืลนละอัตอมากขึนมายุจาดิลุฟีอายาติลลัอะลลัลดีนากฟาู فلا يغررك ت ق ل ب ُ ه م في الدلاء ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك ت ق ل ب ال ُ ه م <ت ص> في الدلاء อันดับที่ข้อที่2 ประเด็นแรกกตัวตัวดูสักนะมาอยู่ยาดีลูกมาแปลว่าไม่มีผู้ใดอยู่ยาอยู่ยาดีลูกแปลว่าโตเถียงไม่มีใครโตเถียงไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีใครเถียงกันคนเถียงกันไม่มีเถียงกันเรื่องอะไร في อยตินในอายะต่างๆของอัลกุรอานบรรดาสาวบ้านาบีไม่เคยทะเลาะ ก, กันเรื่องอายะอัลกุรอานอัลลอฮกันเลยสั่งนาบีคนที่เถียงกันในเรื่องกุรอานนี้ั้ยเดี๋ยวนี้มีแล้วครับบิจารั์กุรอาน Quran. แต่ญาตินบีทั้งหทดอ้งบิจารกุรอ่านตั้งแต่อายาแรกที่ถูกประทานลงมาแล้วอมอมัดแต่งกุรอ่านเองใช่ไหมกุณอานนีนรอบมาจากคัมภีร์นุนคัมภีร์ น, นี่ฉะนั้นตำหนิอัลกุรอานไม่มีใครตําหนิอัลกุรอานไม่มีใครที่จะปฏิเสธอัลกุรอานเพราะว่ากุรอานเองนะลูกน้สัยนํานบีเนี่ยเขาบอกเป็นไรนะเป็นสะอา เป็นไรนะเป็นบทกวีเป็นนิยายประดมประราที่มาจากปู่ย่าตายายเล่าขานกันม า, อาลอเลมทบิบุามายุยาดิลลฟิอายาติละไม่มีผู้ใดโต้เถียงในองค์การทั้งหลายของอลัลลอฮ์อิลลานอกจากโอ้ไอนอกจากนี่ละสำโรแซบละอัลลอฮีนากฟรู บันดาผู้ที่ปฏิเสธนี่อัลลอฮ์เล่าเลยพอ ร, รู้รูรูนิสัยมนุษย์ดีว่าคนที่จะต่อต้าน อ, อัลกุรอานกลุ่มไหนกาฟผู้ที่ปฏิเสธอัลล์ปฏิเสธน บ, บีมุ h a m m ั d มีวันหนึ่งน บ, บีออกมาจากบ้านแล้วก็มีชายอยู่สองคนเนี่ย นั่งอยู่ในมัสยิดนั่นแหละแล้วก็เถียงกันหน้าแดงแเรื่องุรานนบีก็ออกมาที่ว่าโโ o คนที่มาก่อนหน้าคุณอลัอลลอ์ลงโทษหมดแล้วเพราะเขาเถียงกันเรื่องค้ำผีของ อ, อัลละฮ์แตนั้นคํำผีกคุรานนี่ปฏิเสธได้ไั้มไม่ได้สงสัยได้ไั้ย ไม่ได้ตำหนิได้ไหมดูถูกได้ไหมถ้าใครที่สงสาร น, นิรุฬุรานเองเจอใครที่ตาอิรกุรานเองเจอบางคนก็เจอก่อนตายบางคนก็เจอหลังตายมันเจอรักบูโบมที่เจอในโลกอาภิรัตไม่รู้จะเจอตรงไห น, นฉะนั้นขอความคุคม้มครองสอนเราอ่านคุณอ่านเข้าใจกุณอ่าน เพื Quran, ่ออตามอัลก <ley ona. S 1> ุรอานได้เลยฮัมดุลิลเล่เรื่องที่หนึ่งไม่มีใครโตเถียงในองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์นอกจากบรรดาผู้ติปฏิเสธอิสลามเท่านั้นแหละนี่เราไม่มีนะปลอดไทยนะเรื่องที่สองฟลายะกรุร์กตะพอลูบูฮฟิลบิลาตยานีดีมากกับวัดนี้นะ ลายรุดก็แปลว่าจงอย่าให้หลอกลวงเจ้าอย่าให้เป็นการหลอกลวงท่านน บ, บีมฮัมหมัดหรือคนที่ อ, าอ่านอัลกุรอานอยาให้เขาหลอกเอาอะไรมาหลอกแต่ก็ลูมูฮุมการววลวกวน หรือการเดินทางหรือการค้าขายการค้าขายคองลนกาเฟตการท่องเที่ยวหาเงินเข้าประเทศคองลนกาเฟตสองอย่างนี้อย่าให้นาบีหรือคนที่เป็นมุสลิมนั้นถูกหลอกเป็นยงครับมีสอนอะไรสอเรื่อธุรกิจฟิลบิลัด ตามแผน่นดินสาเหตุเป็นอย่างนี้ที่ประชานอันกูอ่านลงมาเพราะว่าญาตินบีกุูร์เรสกูกาเฟตเป็นกูเรสเนี่ยที่ต่อต้างอิสลามเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ยามเนี่ยนะค้าขายเก่งหน้าหนาวเนี่ยเอาสินค้าไปขายที่เมืองเยเมนร่ำรวยหน้าหนาวนะไปขายที่เมืองเมืองเมืองมือเยเมน พอหน้าร้อนเอาสินค้าไปขายที่เมืองชามสนรูว่าไม่ว่าเราดูหนาวเราดูรอด้อนมีธุรกิจมีการเดินทางตลอดและเดินทางนี่ปลอดภัยไหมโอ้โหปลอดภัยนะ่าดูเลยพอกลับมานี่ก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันหมดเลยแล้วก็งานใหญ่ก็คืองานแอนติอิสลาม ดานาบีด้วยดาอัลกุรอานด้วยดาซุานนะบีด้วยแต่อลัลลอฮ์ให้รวยค้าขายหน้าร้อนไปเมืองชามหน้าหนาวไปเมืองเยเมนพาสินค้ากันไปหรือไซื้อสินค้ามาอะไรก็ตามแต่ธุรกิจมันจเจริญคนจนๆเนี่ยมันก็นั่งมองอยู่เฮ้ยูเดินตาม ม, ม, มาูฮัมมัดนูไม่มีอะไรเลย มีตาาาั้งนมาที่สุราหา์ฮถ้าเดินตามคนกาเฟสเนี่ยไปค้าขายที่เมงเยเมนเราไปค้าขายที่เมืองชามร่ำรวยแล้วมันก็ด่านาบีมันก็ด่ามุฮัมมัดมันก็ด่าปุรานด่าอิสลามมันรวยเอารวยเอารวยเอาหลายคนคิดจะทินอิสลามเพราะอิสลามมาใหม่ๆใช่มหมคนรับอิสลามได้เดือนสองเดือนก็สงสัยกูจะเอามาดีวะ อยูกับมุฮัมมัดรายได้ก็ไม่ม่แต่วันนี้ไอพี่นั่งมุสลิมพอเป็นมุสลิมรายได้มันน้อยมตกตามบ้อะไรบ้างเอ้กูอยู่แบบคาฟดีกว่าเว้ยดานะบีกว่าได้ดาอิสลามก็ได้ดากุรอานก็มีเงินออ่ะอัลล์เตือนคกุรอานลยะดุกตลลบุมฟิลบิล ดังนั้นจงอย่าให้การวกวนคำว่าวกวนนี่นะเอาไปเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาอธิบายฮนะการท่องเที่ยวสองการค้าขายเรียกว่าตะก้อนลุกวกวนดิ้นไปดิ้นมาฟิลบิลาสในเมืองในประเทศผู้เทียงธุรกิจการค้าทาว คนต่างประเทศเข้ามามึงใช่เงต้องการหาเงินใช่ไหมวันที่หนึ่งเดือนหน้าจะเปิดไม่ใช่ลรอให้คนใช่เข้ามาได้กี่ล้านวางแผนเลยจะได้แสนล้านสองแสนล้านสามแสนล้านเหมือนการอัลกุรอานอันยานนี่เตือนเตือนนบดเตือนมุสลิมฉะนั้นอลัลลอฮ์ก็เล่าบอกว่าไอการค้าของพวกเขาทั้งที่เขาด่าอิสลาม อัลลอ์ให้เจริญเป็นการให้แบบชั่วคราวฉันอัลลอ์จากกระชากเมื่อไรก็ได้เตือนให้นบีมาสอนอย่าไปหลงนี่เตือนเราวันนี้ยนดย่ดในอิสลามนี่แหละยนดยาาดในอัลกุรอานในสุนนะนบีนี่แหละนมาจักคารอ่าน q ร r าอันซุบกุรอห์ละทำดีกับพ่อแม่ตัวเองอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้อง บริจาคสม่าเสมอยึกรุลอขอดุท้าให้อภัยคนทำอย่างนี้เนะ่ะหกเจ็ดประการนี่แหละพี่น้องจนหน่อยไม่มีปัญหาดูตัวอย่างนาบีนบีไม่เคยกินข้าววันสองมือ้อ <c oughs> <c oughs> ถามว่าสุขภาพนะอิ่มกับหิวอันไหนดีกว่ากัน อามาเล็กใครดีอะไรดีกันเทีวดีกว่าอิ่มทั้งวันทองคุยอ่ะเป็นยังไงก็ตีปัญญาคิดไว้มนอ้อกเสนาอุมาัน่ยยืนยืนสอนคนท่องมารองอ่ะ ช, ช, ชอบชอบชอบท่านคูกักระท้องต่วเองไม่มีสิทธกินต้องให้เด็กยากจนอยู่ข้างนอกกินก่อน ท้องเอนกินที่หลังทำไมพูดอย่างเงี้ยเพราะหัวใจโยงกับ น, นบีโยงกับอัลลอฮ์ราต้องเข้าใจนะฟาสติ้งเนี่ยนะอดอาหารสุขภาพดีหมดเลยรมฎอนเนี่ยซีอามถือบวชดีที่สุดนะฉะนั้นนบีเลยกำหนดให้มุสลิมเนี่ยถืออดวันจันทร์ก ว, วนเพฤหัสอย่าไปรู้เดินตามคนกาแฟนะ เขาค้าขายร่ำรวยแบ้คเงินมาพันล้านสองพันล้านเป็นรัฐบาลไม่กี่ปีแต่กันเมืองนิดนึงนะรวยไปแล้วพันล้านม่นชีโปรทรัพย์สินไม่ได้โอ้โหมันเยอะอ่ะมันออกมาจากไหนอ่ะไซนาอุมัดปกครองรัฐบาลอิสลามมาสิบสองปีนะวันตายเช็คทรัพย์สินมีสี่รายการหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งทามาจากดิน สองมีล่อตัวหนึ่งเอาไว้ขี่เยี่ยมประชาชนอันที่ามีมเสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ตัวบางตัวมีรอยปะอันที่สี่มีแท่อยู่อันหนึ่งเอาไว้ปลุกคนอมาดอันสายนา ม, มัดปกครองมากี่ปีนะสิบสองปีถ้าจะสัอไม่สักจากเมืงไทยไปทำบ้านได้มันได้ทำไมเาไม่ทำอ่ะเขาปกครองคนให้คนได้รู้จักอัลลอฮ ให้ผู้คนได้นมาสยิดได้อ่านกุรานได้ยึบุบลลารูกเอาสมัยไซนาฮุ ม, มาตสร้างมัสยิดนะักสามพันกว่าแห่งมุสลลมนำมุสลิมนำมาสดกสามพันกว่าแห่งคนรับอิส ล, ลามไม่รู้ว่ากี่ล้าน น, ะนั่นฝีมือใครไซนาถาาเราทําอะไรก็คิดถึงประวัติศาสตร์นะพยายามเอารูปแบบดีๆนะมาใชา้ใช้ชีวิตประจําวันอันนี้นะห้ามด่าคนนะครับ ตวัวเราบอกายานี้ดีป่ะอายาที่ที่สี่เนี่ยนะสองสองประเด็นนะจะทันล ก, ก่อเรื่องพุทธานใช่ไหมเชื่อตามพุทธานในบทเรื่องที่สองอย่าให้การค้าขายของคนกาเฟรอย่าให้การท่องเที่ยวของคนกาเฟ่นั้นล่อลวงท่านให้ทิ้งอิสลามมันเป็นความสุ่ชั่วคราวหมดเลยเอาล่อจะกประเทศอะไรก็ได้ใช่ไหม หังนี้เป็นต้นต่อมายะสุดท้ายกบกาละบากับลห์มกอุนูห์ลอาฮซับุมบัดิมวะฮัมมัตกุลุมมติมบรซูลิมลี่อัยู وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به ا ل ح ق ف ف أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب كذبت قبلهم قوم ن و ح و الأحزاب من بعدهم و هم ت ك ل ة أمم برسولهم เลยเอาหุ่นว um ่จะดลบิลบัติลลี่ดฮิบิฮ์ลฮัฟฟาอัลร์ตุมฟาคีฟแค่หนก็อบข้ามุลลาห์ข้อที่ผ่านมาเนี่ยเตือนให้รู้ว่าคนด่านบีรด่ากูรานแต่ Allah Allah เอาเรื่องแต่ตอนนี้ ประวิงเวลาเอาไว้ให้มีเงินใช่ไหมให้มีตำแหนง่งให้มีรายได้ให้ทำธุรกิจเจริญให้แขกมาเที่ยวประเทศคุณมีเงินมีทองยิ่งลืมเอาล้อใหญ่เลยใช่หรือไม่ใช่นี่ประวิงเวลาให้ความจริงประวิงเวลาเพื่อให้กลับตัวนะแต่เวลาได้เงินแล้วกลับกลับอะไรตะกับบุญอะ กูไม่เอ า, อเาคนเ่ากูยังได้เงินอ่ะอก็เชิญดชมันก็เจอแบบฐานาเจมดีอิสราเอลนั่นแะนะนอนแต่หมูวเอาเชิญก่อนจะตายอ่ะแล้วโอกาสจะกล่าวกันเลยมากก่อนตายมีไหมไม่มีครับนั่นที่ไฟคลอกอ่ะ <laughs> ชายมัจยาสเก็บดูกนวนาเราอาญสุดท้ายกัลยบัสดูซับนะแต่ว่าได้ปฏิเสธ กบัลลฮุ่มคนที่มาก่อนหนะ้าภูเขาก่อนหนะ้าชาวอาหรับในนครมักกะเขาว่วากกบัลลฮุ่มเนี่ยก่อนหนะ้าชาวอาหรับมักกะเนี่ยใครมาเกามูนูหึงภูมชนของนัวนี่เตือนให้รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยรลราคุมนะแล้วก็ น, นบีก่อนหน้ามุฮัมมัดมีมาแล้วนะเท่าไหร่ เป็นแสนนะแล้วพวกนี้เป็นยังไงครั บ, ก, บกาซาบาสเกอบลาหุมก่อนหนะ้าพวกเขานั้นมีใครบ้างเกามูนวัวเนมูชนของนวัววันอาซาบีแล้วก็พรรคพวกของเขาอีกละ่ะอีกกี่กลุม่มเนี่ยไม่ได้เล่าให้ฟังะนะพวกนี้นะกาซาบัปตปฏิเสธ ทั้งๆที่พวกนี้นะรวยนะมีบ้านเนี่ยคาราาร์เนี่ยทำด้วยอะไรนะภูเขาที่มาสกัดอะไรนะสกัดภูเขาเป็นบ้านอยู่โอ้โหเห็นไหมทั้งๆที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามดานาบีนัวสารพัดจะเอาล่อให้ต่อมาครับ w a h a m a กุ k u ม o o m a t i m i s l i m ทำ ม, มาได้ว่าตั้งใจหรือจงใจหรือมุ่งคือแต่ละกลุมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเน้นนะในใจของเขาเนี่ยอยากอะไรรู้ไหมทุกๆุกประชาชาติเนี่ยในใจของเขาอยากจะดฆ่ารอซูลของเขาเองหรือยากู้รู้แปลว่าที่ที่จะกำกําจัด บรสูลิืหิมรซูลของพวกเขาที่อลัลลอฮ์ส่งมาในใจของพวกเขานนั้ต้องการที่จะกำจัดรอซูลที่อลัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนาเนี่ยล้อเล่าแชรแล้วแชรว่าพฤติกรรมของคนในอดีตเนี่ยที่ร่ำรวยจะเป็นกลุ่มนวกว็าตาลหกลุ่มอาสามุดใครก็าตามที่อลัลลอฮ์ให้ให้ให้มาพวกนี้นบพอลัลลอฮ์เมตตาส่งนบีมาแต่พวกนี้มองนบีเป็นศัตรู เองจะมาสร้างความยิ่งใหญ่ฉันไม่ยอมทั้งทั้งที่นบีนะเชิญชวนคนสว่วลรอดวันเกี่ยมากมีจริงตายเราฟืนนะมันผิดตรงไหนอ่ะเรื่องอคุรรอบหมดเลยนะอย่ะเนี่ยรอเล่าให้แชร์ให้ฟังว่าประชาชนในยุคที่ผ่านมานั่นทุกกลุ่มเนี่ยมุ่งร้ายต่อบรรดานาบีของเขาเอง ลิยะคุณรู้เพื่อที่จะกำจัดเพื่อที่จะทำลายนาบีที่อัลลอฮ์ส่งมาต่อมาครับวาจาดารูเรียกว่เขาเนี่ยโต้แย้งหรือโต้เถียงอาโต้เถียงใครโต้เถียงน บ, นบอีอย่างนาบีอิสาเนี่ยการเพระเจ้าได้ ย, ไยังไงเห็นย <c oughs> ังการเปพระเจ้าใช่ไหมทุกวันเนี่ เป็นลูกอัลลอฮ์ใช่ไหมมาได้ยังไงอ่ะทั้งๆที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสแบบหนึ่งอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่น่าจะเป็นพระเจ้าได้นะ่ะโตฮาวะภรรยานาบีอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วแล้วก็พวกเราวันนี้มีทั้งพ่อทั้งแม่นี่เป็นการสร้างของอัลลอฮ์เล่าหนังสือพุทธอ่านให้มนุษย์ฟัง กูปฏิเสธกูอ่านกูไม่เชื่อมุึงมัาแต่เองแต่เป็นยังไงอะอากีน่ผิดหมดเลยอะพอตายจะรู้สึกอายกูผิดแล้วเว้ยขอกลับมามีชีวิตใหม่ใช่ไหมมันเลยการถามว่าเอ็กออกมันจะดุนยาแล้วขอกลับไปทำไมเนี่ยดุนยาฉันจะไปเรียนศาสนาฉันจะไปอ่านคูนฉันจะทําตามนาบีมดแล้วสายไปแล้วเอาต่อมาครับ ว่จยาดารูบินบาตินพวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องเท็จหมดเลยใครเลยไม่ใช่ใชอ่ะวันนี้อิสลามไปพูดก่อการไรเรื่องเท็จเรื่องเท็จหมดนบีอิสลาเป็นลูกอัลละ์เรื่องเท็จ ทียิวดีนำโดยยิวยดีจะสตูอิสลามเนี่ยเยอะมากและสังเกตนะประเทศประชาชนที่มีอัลลอฮนะ์เราเราซูล น, น, นะอัลลอฮ์ให้น้ามันนะให้ทองให้นูนเต็มไปหมดและพวกนี้มันมอยากจะได้ตรงนี้ประชาชนเป็นมุสลิมทำไงกูจะฆ่ามันให้ได้อะกูจะเอาทองเอาน้ามัน อ่องกต奥ู้กันไปบุดวงจนนี้น ะ, ะต่ตัวมันก็ลียุดไฮโด้บิฮิลฮับตียุดไฮโดเพื่อที่จะทำลายอัลฮับต์ความจริงนี่ไงเพราะความจริงเนี่ยมาจากอัลลอ์คนที่ต่อต้านอิสลามก็ต่อต้านความจริงและบ้านปาชีวิตน่ะเสียหายหมดเลยแต่ดุงยานทรอัลล์ให้อไปอย่างฟาโร มีกษัตริย์เอาเงินให้ตำแหน่งให้มีทหารคุมกษัตริย์คนเดียวนะสาม0มื่นห้าพันคนทหารคุมกษัตริย์ฟาโร่ใช่ไหมแล้วรอดไหมละ่ะไม่รอดตายที่ไหนในทะเลมีศบอยู่มื่อนี่ต้องใช้ปัญญาอุกมาครับ ฟา mm hmm. อัคคตูฮุมอ่าเนี่ยรอเล่าเองนะคนติต่อต้านวางแผนฆ่านาบีทั้งหมดเนี่ยนะเราก็จะเอาความเท็จมาชนะความจริงเนี่ยนะฉันได้ลงโทษพวกเขาไปแล้วฟาอัคคตูฮุมฉันได้ลงโทษพวกเขาแล้วเดซี sea, ลงโทษยังฟาโร่ ah, ลงโทษยัง แยโรถสถานที่ต่างๆในโลกแลีวเราเก็บไว้เก็บไว้ให้เราเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างท่านลงโทษเขาแล้วแล้วก็ให้เห็นตอนนี้ชารอนอัจนาทิพดีของอิสราเอลให้เห็นล้วคนที่ไหว่ไห้กระตูนนะบีให้ไฟคอกตายบริการอยู่สองคนมันน่าจะรอดตายหมดนะเอาน้ำยาแก๊สมาฉีดไฟมันไม่ดับนี่จะต้มงไปมาจากโลก อัลฮัมดุลิลละข้าใหญ่ i s ามง่ายนะอัะตอมาครับฟาไฟฟกลฟาการอีกอกอีกวิวการลงโทษการลงโทษของฉันตัตับซีบ่อธิบายดีนะการลงโทษของฉันนั้นเป็นอย่างไรเห็นบ้างหรอยางฟาไฟฟกลฟาการการลงโทษของฉันในยุคอดีตอดีตอดีตที่ผ่านมาเคยสังเกตบ้า ไพูดเรื่องเตือนคนอาลับในนครมกกักะวันนั้นนะเอ็งเดินผ่านเด็ซีได้ข้อคิดอะไรบ้างเด็กซีนั่นคนตาไม่รู้ว่ากี่ล้านน่ะคนแล้วนี้ทำบาปอะไรได้ไหมผู้ชายกับผู้ชานอนร่วมกันน่ะอ่อถลงโทษให้แล้วนะ่ะและเอ็งได้ข้อคิดอะไรบ้างจากนั้นอ่านกวนอ่านอลรถกะเตือนเราสมตลอดเวลา เีน้งตกลงว่าเรามีงานใหม่จะต้องเพิ่มท่องอายันี้นะฮะมิมตันซีลุนกิแทบิมินัลลอฮิมะลิมอัลลิมกับิลิัมบิวกับิลิตเตบิชบิบิมากับิลิตเตอลิลาอลาอิลาหูอิลาอิลมัสซีซัสอายะอันเช้าอันเย็น เราข อ, อาตัอาต่ออัเาจะคุ้มครองเราไม่ให้เรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวเรากับบ้านเรามเวลากะฟฮานอัลลอฮุมะบันิฮัมดิกะอัสดูอลอิลลาฮิลานตัสตะฟุลิคาวะอะตูบุลิ